ยามมูหน่อยหน่อดีเดอรพาว่านาดีมูหน่อยหน่อยมันเรียดบ่หลายแน่ทีสิเฮ็ดน่บ่หลายพิจกรรมพิจารพิิต้องเฮ็ดต้องทากับ่หลายท่านมูหน่อยคว่สีเดียวกันกับบ่หลายสี่เด้ยวกันสเดเห็นกันกับบ่หลายท่านผู้ชื่ ภาวนาตั้งใจเอาเราได้ตอนนี้แหละไถโบยูนี่แหละเฝ้าเข่าท้างจงกรมรถบมอึดท่างจงกรมมาเท่าเห็ดไร้ไหลเข่าสู่ทา่างจงกรมโมม่เหยียกเงี้ยมันมูบลายเหยียบบลายกระตปรงออกมากเลยอ่ะพื้นน้าเขาไปถั ก, กินน้ำไปถักสันน้ำจ้ะใส่กาไปใส่ขวดไปใส่กระจิกไป เอาเข้ไปพละท่านจงกลมพละอันผู้ใดสีมักทองหนังสือหาแล้าแล้วจะจงกลมแล้วมั่นเมย์เอาจดเอาหนังสือไปทองน้าสวดมนต์บทนั่นบทนีน่ท่อนนั่นท่อนนี้จริงๆเอาไปน้าจดไปนำ้ำทำไมผู้ทองไปจีโมกไปจดไปขอนึ่งไม่เกี่ยไปยางจงกลมหุน้นในป่าคนข้อมือย เศร้าเมื่อ ก, กินน้มกินไนแล้วเอานั่นไม่เอาจดไปแล้วบอกว่าทองซี่ิละ่ะการย่างยงคมท่านคิดให้สงบได้ดีอยู่เลยคนที่ได้สมาธิในคณะย่างยองคมทนได้สมาธิก็ส่งอยู่ทนอยู่นานเดยกมันดี อีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นการได้บริหารร่างกายนะ้าคนเฮ้ามันมันมีแต่นอนํำ น, ำนั่งกับยืนเท่านั้นเองันว่านอนสบายไปเยเอาลองนอนมงดูออมันจะได้ดนป่านไหนจะข้าวแบบพิกขี้งจิดไปพลิกมากโอ้ย โ, โมเป็นตะยู่เน่ยลุกขึ้น น, นั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมียืนเดินนั่งนอน ขันเทาภาวนาแบบว่ายางจงกรมแล้วกับภาวนานี่ยมันหมายความาขันยางจงกลมอยู่เท่ากับภาวนาได้เพื่นให้ศึกษาเพื่อให้ฝนะึกอบรมอย่างนั้นอ่ะขันเม็นนั่งอยู่เนี่ยเหตุได้เท่ากับคุณจักนั่งภาวนาไว้สั้นคุณจักอยู่นั่งอยู่ก็จิตใจก็สงบได้นรือว่าภาวนาตอ น, นั่งขันตอนยางอยู่เนะน่ยเท่ากับฮด ฮัตให้มันเป็นทวหน้าพึอกันในใจเนี่ยเขาเอื่าอย่างจงครมย่างจงกรมให้มันติดให้มันสํานานให้มันลึ่นให้มันติดมันสํานานมันลึ่นแล้วเน่ะออกจากข้างจงกรมมาหย่างไปไส่จะตามมานี่ย่างไปไส่ใจมันจะซีอยู่น่าละมันเพิ่นที่ฟื้นที่ฟื้เอาใจมันอยู่น่ะอันนี้ในย่างมูบระยูเนี่ย อากาศก็เย็นกันหนาวเนี่ยเบียดสีเทสทั้งหมดกมุดไปละเบียดใหญ่ก็มุดแล้วเฝ้าฟุกเฝ้าฝนอยู่ของเนี่ยจังไนเพราะท่นโดนเบียดใหญ่ก็สิม่าอยู่แค่ไหนนี่ในบางนีแหละยามมีแล้กันเท่าทีเอาก็เอาซะยนี่ยมูหลายมันมีเบียดหลายหรอกนีแน่แนดหลายนี่ต้องแนวสิวสิวจิจ้ากันก็่นี้หลายแน่หลายอย่าง ขันใจห้องสามารถเหตุให้ทํางควมสงบได้ยืนอยู่กับเหตุได้นอนอยู่กับเฮตได้นั่งอยู่กับเหตได้ยางอยู่กับเหตุได้อันนี้แหละดีเป็นเหุ้เพื่อเห้ฟเพือหมได้อันนี้ละที่ยางจงกลมอันขึ้นว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันมีสุกคนนั่นและมีสุก่น ยางก็ยังยางอยูอย่ผมเนี่ยครับืุนกับนี่บอกท่านมาภาวนากับนี่ก็ยางมันหากบอกเป็นภาวนามันเป็นยางซื้อยางไปไรง้วอะไรกล้วยบอกยางไปเล่นไปเที่ยวยางไปเล่นสาวบอเนียยางไปถาจอบรักของเขาอย่างนั้นกับนี่ยางก็ยังเนี่ยแหละแต่มันบอกเป็นภาวนาโมไม่ยางสีดี แต่เขาบอว่าห er, น, people, น them, ้าเน่ยเามาหัดบะเนี่หัดว่าให้ใจอยู่นั่งกนรย่างไปไส่เลยใจอยู่นั่งไปวางยางจนกลมละอันพวกที่ยึดทั้งนอกอันว่ามันบริทนดีเนี่ยางกับยางอยู่อันบริทนได้ดีแต่ย้อนว่าใจมันบาอยู่ใจบาอยู่ใจเบาอยู่กับเจ้าของใจบาสงบย่างไปไปใจห่อนใจห่นอยู่มัดท้าสุดท่าก มัจจญาหรือกันใช่ละมันหมบุกเป็นภาวนาบอดีนี่สันนะมหัศบรสุดแล้วนั่นมันสิตายแล้วใจยังพวท่านเขีมท่านแ็งภาวนาบ่เป็นทุกข์หลายเรืกันภาวนาบุเป็นมหอดบางใปไขบงไปไปนั่นแหละมัมีบ่งที่เพิงเลย่มีเพ่องผู้ใด่าพอมเอือยอ้ายลูกเมี่ยมันก็ยืนอยู่นันอยู่ ข้อผู้ยังเจ็บอยู่ไงเมื่อจิตตายยุ่มไม่ใชไหนมันเพื่งได้แต่เจ้าของเนี่ยเพิงใจกายเพืงบ่ได้แล้วมันอจิตายไมนนีหนักเพิงใจได้แบบนี้ใจห่อขันบ่เพ็ดดีสะพันตึ้เพิงอันใดล่ะเนี่ยสิเพื่งอันไหนขันเท่าเพ็ดดีไว้ฮัตทําใจสงบไว้เลยแม่นอนอยู่กับสงบนั่งอยู่กับสงบยืนอยู่กับสงบ มันมันไปนอนอยู่ข้งเตียงหมออันเขาว่ามันป่วยนักแล้วคือสิตายแลยเลยนอนอยู่ข้างหันเอานอนอยู่เท่ากับกำหนดคิดกำหนดใจหลวงพ่อไว้ให้มันสงบได้การผู้ฝึกดีๆแล้วมันกำหนดได้อยู่คิตกับกายมันออกจากกันได้อยู่โมเมนมันบาออกเด้มันออกอยู่เท่าตายนี่ยตายจากก้อนเก้ามาเกิดนี่มันก็ออกจากกันแล้วน่ะเดือนึงแล้ว ศาตรนี่คือสิออกจากกันอีกนี้วฝึกซะฝึกออกซะขันบ่ได้ฝึกกันหอดยามมากแล้วมันฟึดแตแท้เดี๋มันดึงมันจองกันกูจองมึงมึงจองกูจะได้เดี๋ยวกายสับใจนลยมันออกยากต้องเป็นทุกข์ฝึกดีๆมันก็ลดจากกันออกจากกันนี้ดอกแต่ว่าใจว่าทุกข์อันหลางกายไม่ได้ดอก